ก่อนอื่นก็ขอต้อนรับคณะของจานวนสูงอายุาออยาาเทศบาลตำบลขอนยางจังหวัดจันทบรที่มาร่วกมการธรรมวัดเย็นแล้ธรรมวัดเช้าก่อนที่จะเดินทางต่อไปอีกเข้ามาแค่คืนเดียวเรีวยกว่าคณะของธรรมะสัญจรธรรมะสัญจรเดินทางไป ศาสนาจรตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างตรงนู้นบ้างท้องโลกกว้างภายนอกกร น, นี้มันมีสองมิติข้างนอกด้านนอกและข้างในด้านในเรืจิตของใจเราต้องกลับมาดูด้านในเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาคือกลับมาดูด้านในอาศัยยานทัศนะเรียกว่าปัญญาญาณ กลางนอกเราอาัยยานรถยนต์มารถบัดรถทัวร์แต่ว่าด้านในต้องอาศัยใจที่มีปัญญายานก็ต้องกลับมาหาตัวเองเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรมธรมทำมคือธรรมชาติธรรมดาธรรมใดทีอยู่แล้วตลอดเว ล, เวลาในเพราะช่วงนี้นะใกล้แล้วจะเกิดประสงค์รูปแรกของโลกขึ้นมา เชื่อว่าองค์สมเด็จสัมมาจุเจ้ากำลังเดินจากพุทธคยาเดินไปเมืองพาราณสีช่วง น, นี้ใกล้เต็มทีที่นั่นมีชื่อว่าป่าอิสิ ป, ปันนาเมือทายวันสถานที่ปล่อยบาสัตว์ที่อยู่ที่นั่นมีความปลอดภัยจะไม่มีการล่าสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกัน คือว่าป่าอีสิบป่านานันมันก็ไทยวันมิตรควางอยู่กันมากมายที่ป่า น, นี้อัญญาโกทัญญาปัญจวคีห้าห้ารูปนะก็เป็นลนักษณะของผู้สแสวงหาเหมือนกันสแสวงหาทางออกจากทุกข์แต่ว่าครั้งหนึ่งเคยนะรวมแรงร่วมใจกันที่จะดูแลอุปถาอุปรรม เจ้าชายศสรอทะซึ่งกำลังเป็นบำเพ็ญทุกข์กากิริยากำลังตั้งอกตั้งใจที่จะอดข้าวอดน้ำแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาโมกธรรมทีนี้บังเอิญมาค้นพบได้ยินเทวดาหรื อ, เ ร, อเรียกว่าครูบาอาจารย์กำลังสอนมนตรีอยู่ก็บอกกับลูกศิษย์ว่าถ้าตึงไป มันก็จะขาดนะสายพินสายพินตึงไปก็จะขาดถ่ายหย่อนไปมันจะดังไม่เพลาะเสียงจะดังไม่เพลาะพอดีพอดีนะมันจะเสียงเพลาะมากเรียกว่ามาัชฌิมาปฏิพทา์พอได้ยินตรงนี้มันก็สะดุดขึ้นมาในใจมันเคยมีความสุขตอนเป็นเจ้าใจเสียถะเรียกว่าการมาสุขาริการนิโยโตก มีภรรยามีบุตรพระลาหุนเป็นบุตรชายคนเดียวตอนอายุเจ็ดขวบก็บวชซะแล้วทีนี้ตอนอายุเจ็ดวันโอนสมเดสมมาของเจ้าก็หนีออกมาซะแล้วตอนที่เป็นเจ้าชายเสียใจคราว น, นี้พอมาปฏิบัติก็ออกมาจากปร า, าสาทสามฤดูมุ่งสู่ป่าเขาลรานเอาไป อาศัยป่าซึ่งมีความวิเบกอย่างที่นี่เรามาชื่อว่าป่าสุกโตจะมีความวิเวกเป็นป่าที่มีความร่มรื่นมันมีพลังของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมันจะมีความเงียบสงบแล้วก็มีพลังตอนสมัยพุทกาลนั้นพระเจ้าก็เข้าไปในป่าเอาป่าเป็นวัดนี่แหละแล้วก็กลับมาดูภายในของใจตัวเอง ก็เห็นทายสุเกิดการบรรลุธรรมกันผ่านังตันหานางอารตีนางราคะนังตันหานางอรตีติดาสามของพยามันจนทั้งผ่านอุปสรรคต่างๆทายสุก็เห็นพยามันตัวจริงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในจิตภายในใจของตนอันนี้จากพุทธประวัติเราเคยได้ยินได้ฟังได้อ่านกันไหม เคยมีประสบการณ์กันไหฟังเทศฟังธรรมพอมาถึงยุคเราน้อมเอาสมัยวิการมาสิ่งที่ท่านให้เราได้เดินทางตามรอยของท่านก็คือมหาสถิตฐานสุดทางเดินผลทางเอกของทางเดียวสู่การรู้แจ้งตรงนี้มันจะเป็นการทำพระนิพพานให้แจ้งโดยการที่เราจะต้องเริ่มต้นอาศรรัยครบบัณฑิตก่อนเบื้องต้น บันดิตก็คือนะสิ่งแวดล้อมบุคคลหรือเรียกว่าตัวเองกับตัวเองก็ว่าได้บางทีเราไม่ต้องอาศัยบุคลบคลอื่นวัตถุอื่นสิ่งอื่นให้อาศัยตัวเองอาศัยกายอาศัยใจนี่แหละที่มันมีอยู่จันทร์หัวจรวดเท้าใจของเราที่มันไม่มีตัวไม่มีตนเนี่แหละหรือว่าใจของเราที่มันเคยมีประสบการณ์ตรงอย่างใดมาก็ตามมีคนใจบุญคนใจดีคนใจมีเมตตา เราก็ยกยอดต่อยอดขึ้นไปเป็นจิตที่ฉลาดต่อบุญเป็นกุศลโดยการที่เราให้จิตใจของเรานี่ยมันมีตัวสติปัฏฐานก็คือ ร, รู้กายใจของเราเหการณ์ของกายของใจตามความเป็นจริงนั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะนี้เลยเวลานี้คือเวลาที่ดีที่สุดนะ บุคคลที่อยู่รอบๆตัวเราขนาดนี้คือบุคคลที่ดีที่สุดแล้วก็เราก็รู้ตัวว่ากําลังนั่งกำลังเดินกำลังยืนกําลังนอนรู้ตัวเราอยู่มันก็อยู่กับปัจจุบันจิตของเราก็ไกลาจากความทุกข์ล้กันเนี่ยอดีตเราเคยทาอะไรมาคิดดีพูดดีทดําดีหรือว่าบางทีเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีถ้าคิดดีก็เรียกว่าบุญถ้าคิดไม่ดีก็เรียกว่าบาปเป็นมโนกรรมกรรมดีกรรมชั่ว พอเรามารู้สึกตัวเขากายกันไหวใจรู้กายทำไรใจทำด้วยนี่น่ะมันก็กลายเป็นเรื่องของธรรมชาติ่มันก็จะเกิดการเห็นธรรมกนมาคณะต่อคณะคณะต่อขณะนีสมัยนประมาณสักสี่หปีที่ผ่านมาที่จังหวัดใกล้ๆชัยภูมิตรงนี้เมืองเลยจะมีผู้ชาคนนึงชื่อพันธ์อินทร์พิวหรือว่า คนรุ่นหลังจะเรียกว่าหลวงปู่เทียนกิตตโอท่านก็เคยที่จะทําบุญทําทานแล้วก็มีความสุขความทุกข์มาเป็นค้าวดีมีการค้าขายแล้วก็ท่านก็พูดถึงว่าตัวท่านเองเนี่ยทำไมยังมีความโกรธอยู่ชีวิตก็อยากจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานอยากรู้เรื่องบุญเรื่องบาปแต่ว่าทําไมมันยังมีอารมณ์โกรธในวันโทษกรถิ่นท่านก็เลย แสวงหาวิธีการออกจากความทุกข์ออกจากความโกรธความโลภความหลงความรักความชังท่านก็ไปหาสถานที่ปฏิบัติแล้วก็มีพระครูบาอาจารย์เนี่ยแหละสอนให้ท่านเคลื่อนมือยกมือส4บี่จังหวะท่านก็ไปฝึกหัดอยู่2วันท่านก็ได้คําตอบอ๋อความโกรธเกิดจากความคิดคิดแล้วก็โกรธคิดแล้วก็กลุ้มคิดแล้วก็กลัวคิดแล้วก็หลงเล่สงสัยคิดแล้วก็สุขคิดแล้วก็ทุกข์อย่างนี้ท่านก็เห็นวอ๋อ เราไม่รู้สึกตัวมันก็ต้องหลงก็เป็นในความคิดท่านจับประเด็นตรงนี้ได้ใช้เวลาอยู่สองวันนะตอนนี้ตอนหลังท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาอย่างที่นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เทียนก็คือหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนซึ่งเมื่อกี้ผ่านมาทางด้านหลังรู้สึกว่าท่านก็อยู่ด้านหลังนี่แหละตอนนีนะ้เชื่อว่าพรุ่งนี้เช้าท่านคงมาพูดให้เราได้ยินได้ฟังกันนะเทศนาธรรมอันนี้ท่านก็ไปฝึกหัด การหลวงปู่เทียนท่านอยากรู้ว่าบุญมันเป็นยังไงบาปมันเป็นยังไงบุญเนี่อยากได้แต่ทําไมมันได้มารักษาไม่ได้ทําบุญใจมันก็ยังทุกอยู่บาปนี่กลัวแต่ทำไมก็ทํากันจังรู้ว่าไม่ดีแต่ทําไมก็ทําก็ไปหาหลวงปู่เทียนอยากรู้เรื่องบุญอยากรู้เรื่องบาปอยากรู้วิธีการฝึกสติ หลวงู่เทียนก็ใหนะ้ยกมือ1สิบสจังหวะอย่างวันนี้ที่พากันทำนั่นแหละไปถึงก็ไม่มีที่อยู่หลวงพ่อท่านบอกว่าต้องไปเอาพายางปลา ต, ติกมาทำหลังคามงุงอย่างพวกเรานี่ยังโชคดีมีหลังคาสังกะสีอย่างดีเป็นเหล็กแล้วก็ฝนตกก็พอที่จะหลบกันอยู่ได้แปดสิบกว่าชีวิตนิ่นที่สาานี้มาเกินเดี๋ยวก็อาศัยอยู่แบบนี้ไปก่อน จะมาหลายๆวันอาจจะไปอยู่ต่างกุฏิศาลากันอยากย้ายกันไปหลายๆที่แต่ตอนนี้ก็มารวมตัวกันเพื่อที่ให้กิจกรรมมันว่องไวมันรวดเร็วแล้วก็รู้สึกว่าคล่องตัวการ น, นี้หลวงพ่อเขียนท่านก็ไปฝึกหัดปฏิบัติแนวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะจนกระทั่ท่านเข้าใจธรรมะท่านบอกว่าความทุกข์นี่ไม่มีต่อไปแล้วต่อไปนี้น ชีวิตมีแต่อาการคือยาจะทําอะไรก็รเป็นธรรมชาติไปหมดจะคิดจะพูดจะทําชีวิตของท่านนี้ไม่เป็นอะไรไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรกับอะไรทั้งหมดไม่มีไม่เป็นอะไร <S 1> <1> <S ทุกสิ่งทุกอย่างคืนคืนให้กับธรรมชาติเรื่องของกายก็คืนให้กับร่างกายมันไปเรื่องของ transfer, จิตใจก็คืนให้เป็นเรื่องของจิตใจไปเราไม่เป็นอะไรกับอะไรทั้งหมดนั้นะ เองของความคิดกับป็เรื่องของความคิ ด, คคดแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่มีสติไม่รู้สึกตัวเราก็เชื่อว่าความคิดคือตัวเราคิดแล้วว่าเนี่ยคือเราเราคิดเราพูดเราทําตามจริตนิสัยต่างๆที่มันเคยมีเป็นพื้นเดิมของมันจะเป็นโทษะรจริตก็จะคิดแบบโกรธโกรธหงุดหงิดเครียดเคียดอย่างเดี้ยนะรวมมีความโลภก็จะคิดแบบอยากได้อยากมีอยากเป็นคิดแบบเปรดเลยนะ รวดคิดแบบอยากทําดีอยากทําบุญอยากทํา ท, ทานเป็นเทวดาเป็นพรหมมีเมตตาก็ณวนาวิตาเบิกขาหรือว่าเรารู้ทันความคิดเห็นความคิดเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความเป็นปกติซึ่งเรียกว่าศีลตรงนี้เราก็ต้องเรียกว่ามารับรู้เรียนรู้กันมาฝึกมหาหัดกันตามเท่าที่เวลามันจะเอื้อมหนวยน่ะ หนาทีก็ยังดีหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีหนึ่งวันก็ยังดีหรือว่าบางทีเราก็เคยฝึกมาแล้วละหลายกวนหลายตันก็ผ่านร้อนผ่านาเนามาแต่ทําบนทําทานรักษาศีลเคยฝึกหัดปฏิบัติทำมาบางทีมันก็มีธรรมะอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วเรียบร้อยแล้วเพนะียงแค่ว่าการที่จะฝึกหัดให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเราก็ต้องมีการสังเกตกันนะแต่ว่าการกลับมาสังเกตกายใจของเราเนี่ยเบื้องตน้นนะ ให้สังเกตการเห็นกายพอเรามันนัง่งมันเดินมันยืนมันนอนมันมีความรู้เนื้อรู้ตัวตำหนดอารมณ์เนี้ยเขาเรียกว่าอารมณ์รูปนามอารมณ์เนี้ยคืออารมณ์รูปนามถ้าเรากําหนดรู้การเคลื่อนการไหวก็ต้องสัมผัสเป็นปัจจัยคณะไปเรื่อยๆสติมจะเจริญเติบโตแล้วเราจะได้มีโอกาสเห็นความคิดที่มันเป็นแหล่งผลิตความทุกข์คิดแล้วก็ เกิดอาการพอใจไม่พอใจสุขๆุทุกทุกตัวนีเพราะฉะนั้นตัวสติมันจะเห็นความคิดทุกๆุกการนะที่มันปรากฏขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจบางทีมันก็คิดเป็นบุญคิดเป็นความดีคิดเป็นบาปเป็นความไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเรามีสติตั้งใจคิดอันนี้มันจะเป็นความดีคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทำมันจะเป็นความดีความงามไปหมดนี่เป็นเรื่องของการเกี่ยวข้อง แต่ว่ทุน1 2งสองาบุคคลถึงสองสาเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติก็ให้เกิดสันติสุขสันิภาพต่อไปมันจะกระแทกกระทกกระเทือนอยู่ในกรอบของคุณธรรมศิล ธ, ธรรมจริยธรรมต่างๆวัฒนธรรมประเพณีอดีงานต่างๆอยู่ในกรอบในกฎที่เราตกลงร่วมกันไว้เป็นกฎหมายเป็นระเบียบเป็นวินัยต่างๆอันนี้เกิดจากการที่เรา รู้จักกายรู้จักใจรู้จักใช้กายใช้ ใ, ใจของเราเรียกว่าปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเวลาเราได้มีโอกาสได้กลับมาหาความรู้สึกตัวตัวกายตัวใจของเราเนี่ยคือตัวชีวิตอ่ะนะตัวกายตัวใจตัวสติสมาธิปัญญาพวกนี้มันเป็นตัวชีวิตชีวาของเราเมืจะได้ใช้ใกายใช้ใจอย่างมีกําลังมีพลังเรียกว่าพระเป็นการใช้ใกายใช้ใจ แบบเป็นพระก็คืออยู่ในกรอบของการไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นเองการใช้ชีวิตนะ่ยไม่ให้ชีวิตมันใช้เราเราใช้ชีวิตใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจตัวเบื้องต้นต้องลองใช้นะเคลื่อนมือ14จังหวะซะก่อนการคลิกมือตั้งรู้สึกตัวลองใช้มันดูยกขึ้นมารู้สึกตัวลองใช้มันดูมันมีความรู้สึกตัวหรือไม่เงี้ยนะบางทีมันจะมีความคิดแว บ, บขึ้นมาเย่างนี อันนั้นก็คือแล้วนะของความทุกข์นะที่มันเกิดจากความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจภาษาที่นี่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าตัวรักคิดตัวเนี้ยที่ทําให้เรากินไม่ได้เรานอนไม่หลับแล้วทําให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะทําการงานที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้มันมักจะแวบนะเดินอยู่ที่นี่ที่วัดป่าโซโลแวบกลับไปที่บ้านบางทีก็ดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งความคิดก็คิดหล่นลงไปในแก้วน้ํา บางทีเรารับประทานอาหารความคิดก็หลดลงไปในจานอาหารหรือว่าเราอาบน้ําเราก็ไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกที่น้ํามันกระทบตัวเองเย็นสบายผ่อนคลายหรือว่าตักน้ำแต่พอดีแล้วก็ลดตัวเองล่างหน้าแป้งฟันจนสะอาหดสะอา้านเอียดเลยรู้สึกว่าร่างกายของเราสดชื่นอย่างงี้นะบางทีอาจจะมีความคิดปนะรากฏขึ้นมาขณะที่เราได้ทํากิจกรรมเช่นทําวัดสวดมนต์เมื่อสักครู่ก็ตามบางทีเราก็ เจตนาดูตัวอักษรแล้วก็พูดแล้วก็คิดเยมันก็จะมีความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจปรากฏขึ้นมาให้เราได้รู้สึกว่ามันสะดุดรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจจะทําแต่ว่ามันก็ชวนหล ง, งนะชวนเผลอเราก็ได้เห็นว่าเออแล้วก็ตัวตอบทักท้วงกลับมาหาความรู้เ ร, รู้ตัวเห็นป่ากําลังใครยับอยูนะ่เห็นความคิดที่มันกําลังคิดแล้วก็คิดแบบถูกต้องอย่างนี้นะ แล้วก็สวดเรามาแบบถูกต้องอันนี้ก็คือการฝึกสติเจริญสติอย่างเราน้อมเอาความหมายของบทสวดมงคลทศสูตรอเอเสวนาจะพาละนั ง, งนะการไม่คบคนพ่านปันทิจานันจะอเอเสวนาก็คือการครบบัณฑิตก็คือลักษณะของคําสวดคําสอนนะว่าเราน้อมเข้ามาใส่ตัวประกอบเป็นเรื่องที่เป็นธรรมนะ ที่เราสามารถนํามาใช้ได้จริงในชีวิตจะเจริญก้าวหน้าต่อไปมากมายเหลือเกินงวงกลม28ที่เมื่อกี้เราสวดกันเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะน้อมเข้ามาใส่ตัวเองได้ผมเลยจะมาเคยสวดอยู่ที่ประเทศอินเดียที่เมือง เ, อเมืองอะไรลืมชื่อที่วัดลืมชื่ออีกเดี๋ยวนึกได้แล้วก็จะบอก ที่นั่นพระเจ้าอยู่ได้นานนะแล้วก็มีมีเทวดาเ็าเรียกว่าพ่อขาวานิชอ่ะนะพ่อขาวานิชนะเขาก็ไปทูลถามพุทธองค์ว่าการที่จะมีชีวิตเจริญก้าวหน้านะี่ควรทำอย่างไรพุทธองค์ก็ได้ตัดตอบนะอย่างที่เราสวดกันมาทั้งหมดนั่นนะ ถ้าเรามีลักษณะของมงคลชีวิตเนะี่ยไปที่ไหนมันก็ไม่มีพิษไม่มีภัยมีแต่ความสวัสดีในทุกสถานเป็นมงคลอันสูงสุดเลยทีนี้พอคนรุ่นหลังไปไม่ว่าจะเป็นคนศรีลังกาคนพมา่าคนออลาวคนขเขมรเวลาไปสวดกันก็ใช้บทนี้สวดกันวันนี้เราใช้บทสวดนี้ที่วัดป่าสุกโต แต่ว่าเราใช้บทสว ด, ดแบบมีสติก็คือให้เราสวดโดยเสียงที่เปล่งออกมาเป็นเสียงธรรมชาติธรรมดาๆแล้วก็ความหมายที่มันมีอยู่แล้วก็เทียบเคียงกับชีวิตที่ผ่านมาของเราข้อ1นึ่งข้อสข้อ 3, ข้อห้อตรงไหนที่เราเคยทำแล้วทำอยู่เป็นนิสัยเป็นประจำก็ไหนที่ยังบกล้องอยู่ยังไม่ได้ทำ พอมันมีอยู่เราก็เห็นว่าเออมันเป็นประโยชน์เราก็พยายามที่จะเติมเต็มเข้าไปอย่างนี้เช่นว่าพยายามทําพระนิพพานให้แจ้งอย่างนี้นะเวลาทําพระนิพพานให้แจ้งเนี้ยมันทํำยังไงมาที่นี่ก็พูดถึงเรื่องว่ามีความรู้สึกตัวหรือว่าการเจริญสติปัฏฐานกันวัดป่าโสตโจรเป็นสถาบานันเจริสติปัฏฐานแล้วเราก็ได้ใช้การเคลื่อนไหวของเราตื่นยันหลับเนี่ยแหละเป็นการฝึกสติให้มีความรู้เนื้อรู้ตัว ทุกครั้งที่จิตมันอยู่กับปัจจุบันหรือว่ามันรู้สึกที่ฐานกายมันออกมาจากความคิดตามหลักการและก็เหตุผลเข้ามาเนี่ยนะเราเห็นได้ว่าความทุกข์เก่าๆปัญหาเรื่องอะไรก็ตามที่เคยเป็นปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกกะไรนั้นมันหมดไปเว่าจิตของเรามาอยู่กับโลกความเป็นจริงที่ปัจจุบันความคิดเป็นโลกของมายานะเป็นโลกของมายามยีโลกความจริงเคยมีคนคนหนึ่งเขา เป็นยาสนิดอยู่ทีนี้เขาทาบุญทาทานรักษาศีลผสมควรเขาเป็นเบาหวานตอนอายุห0ต้นๆนะแต่ว่าอายุยืนถึง93สปีนะเจอกแล้วมันมีความคิดนะแล้วก็มีอารมณ์เกิดขึ้นมาขณะที่อายุ93ปีอยู่ในห้องพระบันนั้นอาตมาไปเยี่ยมเขานะแล้วก็ถามก็ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ย่าก็ก็บอกว่าไม่ไหวเบื่อแล้วเกินมันเบื่อแล้วก็อยากตายไม่รู้จะหยุดไปทำไมเป็นพาระลูกหลานก็ว่าอย่างนั้นนะาการนี้อาตมาก็ให้กำลังใจว่าย่าย่าเคยทอดกะถินทอดปราป่าแล้วก็เคยฝึกแบบพุโทโธมาถ้าจะคิดทำไมไม่คิดถึงเรื่องบุญนะเคยทำบุญมาที่พระธาตุดอยสุเทพนะ ทุกปีเคไปทอดกระถินทุกปีเลยพระธาตุโดยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ทําไมไม่นึกแล้วก็นึกถึงน้โอตุมม้นเศสมาะเจ้านี่อยู่ในห้องพระนะแต่ที่เอาอารมณ์เอาความคิดมาเป็นความเบื่อแล้วก็อยากฆ่าตัวตายอยากตายประเภทนีน้อายุกา13แล้วให้รู้สึกตัวได้ไหมเรากรรมมือรู้สึกตัวแบมือรู้สึกตัวเนะี่ยยังกรรมแล้วรู้สึกตัวไหมแบมือรู้สึกตัวอยู่ไหมยากเ้าก็ลองกรรมดูนะ พอกรรมสักพักเ้าก็ง่วงนอนแล้ว ก, ก็นอนหลับอันนี้มันยังดีกว่าเวลาเราอยู่กับความเบื่ออยู่กับอารมณ์แล้วทําตามความเบื่อทําตามอารมณ์ทําตามความคิดพยายามทวนออกมารู้สึกตัวรู้สึกตัวพอเดี๋ยวมันก็จะได้พักผ่อนพอจิตของเรามันรู้สึกตัวรู้สึกตัวถึงเวลานอนมันก็นอนไม่ใช่เป็นเวลาคิดเป็นเวลานอนมันก็จะนอนอย่างนี้ปรากฏว่าย่าอยู่สองวันรู้สึกตัวอยู่เล่นๆแล้วก็หมดชีวิตไป วันที่หมดชีวิตก็คือพยายามที่จะกลืนส้มผู้สูงอายุนี่เวลากินส้มเขียวหวานพวกนี้นต้องคั้นให้ดีๆถ้ากินทั้งชาเนี่อันตรายมันไม่มีแรงเกินชาส้มกันนี้มันจะไปติดหลอดลมหายใจแล้วก็หายใจไม่ออกตายขาดออกซิเจนตายไปปรากฏว่ายาเขามีความสุขในช่วงสองวันสุดท้ายความเบื่อก็หายไปก็อยาก รับประทานส้มเขียวหวานเขาก็บอกลูกหลานว่าไปหาส้มเขียวหวานมาให้หน่อยนก็กินได้ขึ้นมาปกติได้กินไม่ได้นะมันเบื่อพอเบื่อก็กินไม่ได้เบื่อก็นอนไม่หลับพอเริ่มมีความรู้สึกตัวมันก็คืนสู่ธรรมชาตินะถ้ามันไม่อยากตายมันก็หิวอย่างเงี้ยนะถ้ามันไม่อยากตายมันก็นอนหลับพักตอนถึงเวลานอนมันก็นอนก็เห็นว่าเออก็ยังดีสองวันท้ายสุดยังมี การฝึกสติรู้สึกตัวกำมือแบมืออย่างนี้อย่างที่วันนี้ชวนกันทำพากันทำเอานิ้วมากระทบกันบ้างหรือว่าชวนกันเดินจงกรมบ้างเดินไปเดินกลับหรือว่าเดินไปที่ลานหินโค้งเดินมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะี่มันเป็นลนักษณะของรูปแบบการฝึกกรรมฐานแนวเคลื่อนไหวเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังให้รู้สึกตัวการคู่เหยียดอวัยวะให้รู้สึกตัวการกิน การขับถ่ายหรือว่าการอาบน้ําการหลับการนอนการตื่นการพูดการนิ่งต่างๆถ้าเรารู้นะมันก็เป็นการฝึกสติเจริญสติอันนี้ตรงนี้แหละมันจะเป็นของดีชีวิตท้ายสุดที่เหลืออยู่หลายคนก็ผ่านชีวิตพระมาจันมาแล้วหนึ่งถึงสาสิปีวัยศึกษาเรียนรู้ผ่านมาแล้วเคยผ่านวัยเขารุ่นหัดมาแล้ว 30- มสห้าสิปีจนทั้งเข้าสู่วัยผู้สูงอายุห้าสิบถึงเจ็ดสิปี วัยวานประลัดนาท้ายสุดก็คือวัยเตรียมตัวตายคือวัยสัญญาสีวัยอายุเจ็ดสิบถึงเก้าสิบปีเราก็ควรที่จะเรียกว่ากลับคืนสู่สภาวะปกติหรือว่าธรรมชาติเดิมๆของจิตของใจกันไม่ไหวแล้วที่จะไปหาวัตถุสิ่งของไปหาดูไปหาเล่นไปหาฟังไปหาดมไปหาลิ้มรสไปสนุกสนานเพลิดเพลินวัตถุภายนอกวัตถุก ร, รมะคุณ มันก็จะเป็นเรื่องขาดทุนนะเวลาที่เหลืออยู่แล้วก็หากำไรให้กับชีวิตของเราไปการฝึกนะสติวิฐานตามแนวที่อกสมเด็จสัมมาวชิระได้นะชี้นำเอาไว้หรือว่าหลวงพ่อครูบาอาจารย์ต่างๆได้บอกให้เราได้เดินตามเราก็ลองดูกันนะอยู่วัดป่าสุขโตหน่งวันก็มีผลลาตีเดียวก็น่าชมสามารถที่ทำให้เราเหมือนกับว่าได้หลักใจได้ มีอยู่คนหนึ่งหลวงพ่อเขียนท่านไคลให้ฟังชื่อพอตู่พอตู่ก็คเคยฝึกกรรมฐานแบบแนวเคลื่อนไหวนี่แหละนิดๆหน่นนอยๆ อ, อยู่มาวันหนึ่งก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลเมืองเลยก็นี้วันที่ผ่าตัดเนี่ยก็ร้องทุนลนทุนลายกลัวแล้วก็ไม่อยากอยู่โรงพยาบาลอยากกลับไปที่บ้านลูกสาวก็ปลอบแล้วก็พูดจาให้เหตุผลต่างๆ พอก็ไม่ฟังก็ดิ้นจะกลับบ้านให้ได้พยาบาลก็จับมัดเอาไว้กับเตียงนะผูกเอาไว้ก็ดิ้นเอากันแท้มาอยู่จนทางต้องมาตามหลวงพ่อเขียนไปที่โรงพยาบาลเมืองเลยเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมก็ถามว่าปอตู่ปตูจำหลวงพ่อได้บอปอตูก็บอกจำได้ปอตูเคยฝึกสติใช่ไหมเคยก็อาจารย์นั่นแหละสอนให้แล้วตอนนี้มีสติหรือเปล่า ไหนลองยกมือซ yup. ้ายขึ้นมาซิลองลองยกมือขวาขึ้นมาซิพอตูก็ยกมือซ้ายแล้วก็ยกมือขวาเออนั่นนั่นยกอย่างเงี้ยนะมือซ้ายมือขวาไหนลองคว่มมือแบมือซิคว่ำมือพอตู่เขาก็คว่มมือแบมือสิพอพอตูวเขาก็แบมือทาอย่างเงี้ยนะความหงายความหงายรู้สึกนะรู้สึกนะ รู้ไหมรู้ไหมอ่ารู้อย่างงี้นะทำอยู่ประมาณสักไม่นานนักนะพอตัวค่อยๆหลับตาแทนที่จะทุรนทุรายแล้วก็นอนหลับกลอกกลอกไปเลยนี่ยก็คือลักษณะของการฝึกสติมันจะได้ใช้ถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลารับแผลก็พักอย่างงี้นะเวลาทํางานก็ทํางานถึงเวลาคิดก็คิดเวลาพูดก็พูดเวลาทําก็ทํามันจะไม่ได้มีการเบียดเบียนตัวเอง เ, เบียดเบียนผู้อื่นถ้าเบียดก็น้อยที่สุด ทำเองทุกข์น้อยที่สุดเรื่องใหญ่ไปเรื่องเล็กไปเลยอย่างเนี้ยนะเรื่องเล็กก็ไม่มีปัญหาไปเลยอยนี้อใ น, นชีวิตที่เหลืออยู่ของเราก็พยายามที่จะเหมือนกับว่าเดินทางสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยละมันมีทางให้เดินหรือเรียกว่ากลับมาสู่มรรคผลนิพพานก็ว่าได้เราเคยหลงเผลอไปกับโลกที่เป็นโลกของโลกิยะบัดนี้เรากลับมาหาโลกของโล ก, กุตละเป็นโลกที่น ทำให้จิตได้ใจขลงเรามีที่พึ่งคือความเป็นปกติของจิตอย่างงี้นะมีที่พึ่งแล้วก็ทาอะไรก็จะมีความรู้เนื้อรู้ตัวมากที่สุดทาที่จะมากได้มันจะเกิดขึ้นมาเองถ้าทําจนกระทั่งเป็นนิสัยแต่ว่าใหม่ๆเราก็ต้องพยายามที่มีศรัทธามีความเชื่อไว้ก่อนว่าเออปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานเนี่ยมันดีต้องเชื่อไว้ก่อน เราพอทำไปก็ให้มีปัญญาว่าเออรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันนะมันเป็นอย่างนี้เวลามีความคิดมันเป็นอย่างนี้นะให้มีปัญญาเล็กๆน้อยไปตามสมควรแก่การปฏิบัติไล่มีความขยันเข้าไว้นะเรื่องอื่นกระทามามากแล้วนะแต่ว่าเรื่องปฏิบัติธรรมไม่ก็ได้ทําเพราะฉะนั้นเราก็มาใส่ใจให้คุณให้ค่ากับการปฏิบัติธรรมให้มากเท่าที่จะมากได้เราก็มีสมาธิตั้งมันตั้งอกตั้งใจจะทำอะไรก็ทําจริง คนจริงมันก็รู้ของจริงอะนะแล้วก็มีสติแล้วรู้ก็แหวนเรียว่าสติปัฏฐานเนี่ยแล้วเราใช้ชีวิตแล้วก็มีความปลอดภัยเราเห็นว่าสมควรแก่ เ, เวลาพูดมาประมาณสามสี่นาที <นะ S 2> ก็ท้ายสุดนี้ก็ขอให้คณะกลุ่มที่มาจากะสารคามก็ <นะ S 2> อยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมีความสุขเรามีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังหลวงพ่อครูอาจาแล้วก็น้องก็ามาใส่ตนนะ จาทางมีการประพฤติปฏิบัติทำเราสามารถที่จะรับรู้ธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะตามสมควรแก่การปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมแก่เวลาก็ขอให้เราได้ประโยชน์จากกันมาในครั้งนี้โดยทุนาการทุกท่านทุกคนทั้นเธอ